ไปพึงพากันตั้งใจคำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเทียงยั่งยืนตั้งแต่องค์สมเด็จพระธมามสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญญาณุภาพอันใหญ่ยิ่งก็ยังทรงพระชนยั่งยืนนานต่อไปไม่ได้ดังนั้นจึงแสดงว่าในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดๆ ที่จะมาต้านทานต่อความแก่ความเจ็บความตายนี่ได้เลยก็ควรจะพากันหมั่นนึกถึงความตายนี่แหละบ่อยๆนึกถึงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แนนอนความตายเป็นของแน่เมื่อเรานึกบ่อยๆ อ, อย่างนี้มันจะได้ตื่นตัวจะได้เตรียมตัวไว้เสมอเพราะว่า อายุมากเข้ามาแล้วมันก็อุมามันยังไม่ไกล้ฝั่งน้ำก็ซาะไปทีละน้อยละน้อยลากขบปรากฏไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดน้ำหนักของต้นไม้มันก็พาตะฝังพังลงไปน้ำก็พัดพาไหลไปต้นไม้นั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันน่เมื่ออยู่มานานปีนานเดือนไป นานวันไปร่างกายนี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปโรคภัยไข้เจ็บก็ค่อยเบียดเบียนขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยไปในเมื่อร่างกายนี้มันอ่อนแอลงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็อ่อนกําลังลงเช่นนี้แล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนานาประการคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไขย้มันก็ไม่ตาย เหตุที่มันตายก็เพราะมันเจ็บมันป่วยร่างกายมันทรุดโทรมลงไปถ้าทั้งสี่มันแตกสามัคคีกันไม่ฟองดองกันอยู่ได้มันถึงได้ตายเมื่อเราเพ่งพิจรารณาความตายเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆ อ, อย่างนี้มันจะตื่นตัวอยู่เสมอบางคนก็กิเลสมันหนา กิเลสมันก็บรรดาให้เกิดความเห็นผิดไปเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเกิดมาในโลกนี้ก็ตายเหมือนกันแหละจะไปนึกถึงอะไรนักหนาอยู่นั่นนึกถึงความตายเท่าไหรมันยิ่งเศร้าโศกเสียใจ ย, ยิ่งน้อยเนื้อต่าใจไม่อยากทําอะไรนี่ก็รู้ว่าตนจะตายอยู่แล้วจะไปทําอะไรเล่าการนึกถึงความตายชื่อว่าตัดร้อน ความถูกความเจริญในปัจจุบันนี้ผู้ใดมีความคิดความเห็นอย่างนี้ที่ว่าเป็นผู้เห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายดังนั้นชีวิตนี้จึงชื่อว่ามีความมีลมหายใจเข้าออก เป็นสัญลญักษ์อารมณ์หายใจนี่หยุดลงแล้วถ้าลมหายใจนี่หยุดลงแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตนี้ร่างกายนี้ก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองดังนั้นอย่าพากันประมาทอย่าพากันไปคัดค้นคำสอนของพระพุทธเจ้า อันบุคคลผู้มีกิเลสหนานะ่ะเป็นเช่นนั่นแหละเช่นอย่างว่าการไปสงสัยในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชของพระพุทธเจ้าต่างๆหมู่นี้นะอันนี้ผู้ใดไปแปลคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นไปผิดแผกแตกต่างอภิจักความเป็นจริงผู้นั้นจะต้องได้ประทบบาปแน่นอนเพราะว่าการที่ สมมติหรือบัญญัติบางอย่างเป็นความจริงเราก็ต้องเคารพต่อบรญญัติเหล่านั้นนี่เนียว่าการภาวนาการพิจารณาให้รู้เห็นสภาพแห่งความเป็นมาของชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเมื่อชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเกิดมาแล้วไม่ทรงทาอะไรคอยวันตายอยู่นั้น ผู้ใดเห็นเช่นนั้นก็เชือว่าเห็นผิดไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสร้างบา ร, รมีมาล้วนแต่พระองค์กระทาความดีทั้งนั้นเลยเกิดมาแต่ชาติพระองค์ให้ทานก็เป็นบา ร, รมีของพระองค์นั่นเองพระองค์รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นบา ร, รมีอยู่แล้วพระองค์ออกบวชบางชาติเป็นฤาษี ก็มีเป็นพระสาวกของพระติเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็มีแต่มคางความปรารถนะก็ไม่ได้บรรลุมนนรรคธรรมวิเศษในศาสนาของพระติเจ้าพระองค์นั้นนั้นนี่ชื่อว่าเนคขมบรมีหรือถ้าเป็นพระองค์ไม่ได้ออกบวชอย่างนี้ พระองค์ก็รักษาสินห้าสินอุโวสถในวันแปดคำ่ำสิบห้าค่าส่วนสินห้านั่นชื่อว่ารักษาเป็นนิจจสินในนี้การที่พระองค์เจ้าทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถลกความชั่วทำความดีเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายในสมัยที่พระองค์เกิดในยุคนั้นๆ และชักชวนคนทั้งหลายละความชั่วทําความดีตามโดยอุบายปัญญาของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรพระองค์ก็ให้ทานเป็นตัวอย่างของชาวบ้านชาวเมืองนย่นี้พระองค์ก็รักษาศีลในบริสุทธิ์พระองค์ก็ออกบวชเป็นฤาษีชั่วระยะเจ็ดเดือน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายผู้สร้างบุญบา ร, รมีตามพระองค์ก็ได้พากันปฏิบัติตามคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ได้มาตรัสรู้แล้วก็จึงได้มาเกิดในศาสนาของพระองค์ได้ฟังธรรมะคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษตามวาตนาบา ร, รมีของตนของตน นีเรียกว่าพระ อ, องค์สร้างปัญญาบา ร, รมีวันนี้การที่พระ อ, องค์ทำอะไรมีความภาคเพียนพยายามไม่ท้อไม่ถอยเขียนพยายามทำจนสำเร็จรุลวงไปได้เช่นอย่างว่าในชาติหนึ่งพระ อ, องค์เป็นพญานุกแขกเต้ามีบริวารเป็นหมื่นมื่นในชาตินั้นพระ อ, องค์ บำาเพ็นความเพียรมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้พาบริวารไปอาศัยอยู่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วแนะนำสั่งสอนให้บริษัทบริวารกินตั้งแต่ผลมะเดื่อนัน่ะเป็นอาหารผลมะเดื่อต้นเดียวนั่นแหละไม่ไปหากินในที่อื่น บริวารก็ทำตามเมื่อผลมันหมดก็กินใบอ่อนมันเมื่อใบอ่อนหมดก็กินใบแก่เมื่อกินใบแก่หมดแล้วก็กินสะเก็ดของต้นมะเดือ่อเมื่อสะเก็ดหมดก็กินเปลือกเมื่อเปลือกหมดต้นมะเดือ่ตอตัวนั้นก็ตายเมื่อตายแล้ว พญานกแขกเต้ากระบริวาลก็พากันสับกินเนื้อต้นมาเดือตายนั้นเป็นอาหารแล้วก็ลงไปดื่มน้ำแม่คงคาด้วยอำนาจแห่งบุญญาบา ร, รมีที่พระองค์ได้กระทำความภาคเพียรพยายามอย่างนั้นน่ะก็จึงได้ร้อนถึงพญอินพญอินก็ลงมาไต่ถาม เพราะเหตุใดพญานกแขกเต่ากับบริวานนี้ยึงพอใจยินดีรับประทานตั้งแต่ผลมะเดื่อต้นเดียวเท่านี้ไม่ไปหากินที่อื่นจนว่าต้นมะเดื่อตายแล้วก็สับกินเนื้อของไม้มะเดื่อนั้นเป็นอาหารในเมื่อต้นไม้อื่นมีหมากมีผลอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ ทำไมหนอนกเขกเต้าจึงยินดีพอใจแต่ต้นไม่มาเรือต้นเดียวเท่านี้พญานกแขกเต้าขอทูลตอบพญอินว่าธรรมดาเป็นบัณฑิตนักปรายยอมเห็นโทษของกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงยอมเห็นโทษของกิเลสตัณหา น, านานาประการ ว่าพาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้สวยสุขบัง่งสวยทุกบัง่งไม่แน่นอนเลยชีวิตบุคคลผู้หมุกมุ่นอยู่ในกิเลสตัณหาความโลภเป็นตน้นข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นแห่งแห่งความโลภความไม่รู้จักพอดังนี้จึงได้ทักชวนบริษัทบริวาร ถือสันโดษสันตุธีตามมีตามได้รับประทานแต่ผลมะเดื่อต้นเดียวเท่านี้จนต้นมะเดื่อตายโดยอาศัยความเป็นผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี่แหละจึงได้ประพฤติเช่นนี้พระยาอินได้ฟังแล้วก็ชื่นชมยินดีจึงได้บรรดาลเอาน้ำแม่คงคานั้นขึ้นมาลดต้นมะเดื่อนั้นเข้าไป ทันใดนั้นต้นมะเดือด่อต้นนั้นก็เป็นคืนแตกกิ่งก้านตาขามีเปลือกมีสะเก็ดขึ้นมาพลดอกออกผลสุกเหลืองอลัมทันทีเลยด้วยบุญญาบา ร, รมีของพระ อ, องค์แล้วก็โดยอนุภาพแหงพระญาอินวันนี้ก็มะเดือด่อต้นนั้น มีรถหวานัวเดิมบนี้นะี่นกแขกเต้าเหล่านั้นก็ได้อยู่เย็นเป็นถูกได้มีอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์ดีจนตลอดชีวิตเทวาชาติดันเรียก ว, ว่าสร้างวิริยะบารมีนี่บางชาติพระองค์ก็สร้างขันติบารมีอดทนเช่นอย่างชาติที่เป็นขันติวาธีดาบทไป บำเพ็ญบารมีอยู่สวนอุทยานของพระราชาอา้าบังเอิญพระราชาในสมัยนั้นสวัได้แก่คู่เวรของพระ อ, องค์ที่ได้กับเกิดมาเป็นพระเทวทัตในชาติสุดท้ายนั่นแหละคู่เวรของพระ อ, องค์ได้มาเกิดขึ้นได้เขาก็คงได้ทำบุญไม่ใช่ทำแต่บาป บุญจึงมาดนบันดาลให้เกิดในตระกูลกษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์วันหนึ่งสเสด็จประพาสสวนอุทยานพร้อมโดยบริษัทบริวาร น, นางสนมเมื่อเที่ยวไปเหนื่อยก็เห็นล่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยนั้นก็เลพักผ่อนนอนให้นางสนมบีบนวดให้เฝ้าอยู่ แล้วก็ทรงบรรทมหลับไปเมื่อนสนมเห็นว่าพระราชาหลับแล้วก็พากันเที่ยวไปตามสวนอุทยานนั้นชมดอกไม้ดอกไกลอะไรไปในที่สุดก็ได้ไปพบพลรือีที่ได้นามว่าขันติวาทีดาบทก็พร้อมใจกันไปกราบไปไหว้ท่านท่านก็ให้โอวาตแนะนำสั่งสอน ให้ปรองรองสามคัคคีกันอย่าไปทะเลาะวิวาดกันในตั้งใจปฏิบัติอุปถากราชาผู้มีบุญหนักสักใหนางสนมเหล่านั้นก็นั่งฟังด้วยความเคารพพระราชาเมื่อบันทมตื่นขึ้นไม่เห็นนางสนมเหล่านั้นก็เสด็จไปตามหาเสด็จตามไปมาก็ไปเห็นนางสนมเหล่านั้น นั่งเฝ้าพฤฤษีอยู่ก็ไม่พอพระไทยจึงได้เข้าไปหาพฤฤษีแล้วไปถามว่าพฤฤษีมาประพฤติอะไรอยู่นี้พฤฤษีได้ยกย่องคุณธรรมอะไรว่าเป็นของประเสริฐพฤฤษีก็ทูลตอบพระราชาว่าอาตมาภาพ สนสนุนขันติความอดทนว่าเป็นทำอันประเสริฐเพราะเมื่อบุคคลผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเฉพาะกัญชาความชั่วหรือกรรมเวรอันชั่วร้ายตา่างๆเช่นอย่างว่าเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาทุบเขาตีมาก็ไม่ตีตอบอย่างนี้เป็นต้น เรียว่าเป็นผู้เอาชนะเวรทั้งหลายเสียได้ด้วยอํานาจแห่งความอดทนเมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ทรงตัดถามแบบอันธพาลว่าขันติความอดทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอืใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ท่ามกลางอกพระราชาก็เอาพระบาทนั้น กระทุ่งเข้าไปที่หน้าอกอพรือษีก็ล้มลงล้มนอนลงวันนี้พระราชาก็สั่งให้เทชฌฆาตที่ติดตามเอาขวานมาชำแหละดูขันติความอดทนว่าอยู่ที่ไหนกันแน่เพชฌาตก็เอาขวานมาผ่าหน้าอกของพารือี พาเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นขันติเม่แต่น้อยเมื่อเมื่อพระดาบยังไม่ตายพระราชาก็ถามว่าขันติอยู่ที่ไหนอยู่งั้นแหละพระฤาษีก็ว่าอยู่ที่ใจเจ้าน้ที่พระเจ้าาก็พาไปจนพระฤาษีดับขันไปไปเกิดสวรรค์ชั้นพ้าส่วนพระราชาเมื่อสเสด็จ กลับออกจากสวนอุทยานไปแผ่นดินก็แยกออกสูบเอาพระราชาครั้งนั้นเน่ไปสู่อเวจีมหานรกพระราชาก็ได้รับผลแห่งกรรมชั่วที่ทำลายชีวิตขระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งมีบุญหนักสักใหญ่เหตุด้านบาปมันถึงได้มากนั่นแหละฆ่าคนผู้มีคุณต่อโลกทั้งหลาย ไ ม, ไม่อยู่ในอเวจีมหานรกชาตินั้นได้ซื้อว่าสร้างขันติปรมีจนถึงว่าขันติปรมัตถบรมีทีเดียวเพราะความอดทนไม่โกรธตอบพระราชาไม่เบียดเบียนพระราชาพระราชาจะทำยังไงก็แล้วแต่เอาทนเอาจนตายตายก็ช่าง ถ้าหากว่าพระ อ, องค์ไม่อดไม่ทนอย่างนั้นก็จะต้องเป็นเวรกับพระราชาพระ อ, องค์ไม่ต้องการกรรมเวรเหตุนั้นนะ่ะจึงได้อดทนในพระราชาเบียดเบียนพระ อ, องค์แต่ฝ่ายเดียวแม้ว่าพระ อ, องค์เจ็บเจ็บจะโปวดจะทุกขเวทนาในชีวิตอันเป็นปัจจุบันนั้นก็มันเป็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อกิจวิญญาณออกจากร่างนี้แล้ว โดยอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญ น, นั้นก็เป็นภาชนะทองรองรับเอาจิตปิญญาของพระองค์ให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แสนสุขแสนสําราญส่วนพระเทวทัตนั้นกงเงินข้ามก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกเพราะเทวทัตลุอำนาจแก่คว โทษะพยาบาทมาในหลายชาติหลายพบแล้วนี่พระองค์บางชาติก่สร้างเมตตาบารมีบางทีก็สร้างอธิษฐานบารมีทรงพิจารณาเห็นว่าควรจะทำคุณงามความดีอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางให้ได้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเมื่อพระองค์ พิจารณาเห็นอย่างนี้นะก็อธิษฐานใจมั่นทำความดีเหล่านั้นไปไม่ท้อไม่ถอยแม้ว่าจะมีมารมาเบียดพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์มีพระทัยอันมั่นคงด้วยอธิฐานะบารมีเป็นกำลังเป็นเหตุให้พระองค์ได้กระทำความดีอย่างบางชาติก็เป็นพรือสีออกบชบาเพ็ญฌานอยู่ในป่า ได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วก็ทำตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นั้นอย่างเดียวไม่ไปเที่ยวเสวงหาผลไม้ในที่อื่นมาบริพกลูกไม้ลูกใดมันหล่นลงมาใกล้นั้นก็จึงหยิบเข้ามาฉัานเสร็จแล้วก็เข้าฌานอย่างนี้ เมื่อออกจากชานม า, าเห็นผลไม้หล่นอยู่ข้างตัวก็เก็บออกมาฉันถ้าผลไม้ไม่หล่นอยู่ใกล้ตัวแม้จะอยู่ห่างไกลไม่เท่าไหร่ก็ไม่ลุกไปเอาผลไม้น่มาฉันเลยในทรงบำเพ็ญชานสมาบัติให้บรรลุแล้วก็ทรงอยู่ด้วยอยู่ในชานนั่นแหละในตำราท่านยังกล่าวว่าพระฤาษีนั่นนอะ นั่งเข้าชานอยู่นมนานกาเลจนว่าใบไหม้หล่นล่วงลงถมพลือสีนั่นจนมิดตัวไปเลยอย่างนี้ก็มีบณีิบันดาพวกปลวกข้างหลายเอามากินใบไม้ก็มาก่อดินขึ้นไปหุ้มพลือสีไว้พลือสีก็ไม่มรณาภาพด้วยอำนาจแห่งชานสมาบัตรรักษาชีวิต ของพรือสีไวชาตินันทิวาบำเพนอธิฐานบารมีบางชาติก็บำเพนเมตตาบารมีอย่างแรงกล้าบางชาติก็บำเพนสีละบารมีเช่นชาติที่เป็นภูริทัตเป็นพระภูริทัตนะเนั่ยเป็นพญานาคนามว่าภูริทัตพระราชบิดาให้สบูรราชสมบัติบานี่ ธรรมดาโพธิสัตว์นี่เพื่อนต้องการจะสร้างบา ร, รมีให้แก่กล้านึกถึงไงในคข ม, มบา ร, รมีตนยังน้อยอยู่นี่ก็ได้เสด็จขึ้นมารักษาศีลแปดอยู่บนพื้นชมพูทวีปนี้พื้นแผ่นดินนี้เอาตัวเข้าโ อ, อ, อบรอบจอมพวกจอมหนึ่งโดยรอบแล้วก็อธิษฐานว่า เราจะรักษาสินแปดให้บริสุทธิ์จะไม่ไปหากินในที่ไหนอธิษฐานเอาเจ็ดวันวันนี้เจ็ดนั้นหมองูเที่ยวหางูไปเล่นละครมาเจอเข้าให้ก็เสกคาถาอาคมที่ได้เรียนมาแล้วก็จับหางงูแล้วคายออกจากจมพวกแล้วก็ หกหางงูนั้นอย่างแรงจนเอากระดูกงูนั้นอ่อนไปหแต่งูนั้นนี่ยก็เป็นพญานาคนี่ถ้าหากว่าจะพ่นพิษใส่หมออลำพายนั้นหมออลำพายก็ไม่มีเหลือแต่ร่างกายก็ไม่มีเป็นพัทธุรีไปเลยแต่ว่าพญานาคนั้นตั้งใจสมัคานมั่นในศีลแล้วไม่ยอม เอาปล่อยให้หมออลมภายนั้นทำตามประสงค์หมออลมภายได้แล้วก็เอาใส่ข้องพายไปไปฝึกไขพญานาคนั้นเล่นมหรศพแสดงอาการต่างๆให้คนได้ดูได้ชมได้ลื่นเรลงบันเทิงใจนี่ไปเล่นอยู่ที่หน้าพระลานหลวงของพระราชาพระราชาก็เสด็จมาดู พญานาคคนเล่นคนต่างๆนานาให้คนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นได้ทอดพระเนตรเห็นล่าเริงบันเทิงใจอยู่บัณฑิตบรรดาอีพีน้องๆอยู่เมืองนาคเลยเจ็ดวันแล้วไม่เห็นพญานาค ก, กลับเมืองก็จึงได้ออกจึงได้ขึ้นมาจากเมืองนาคและตามหาคราวนั้นจึงได้ไปพบอยู่ที่ หน้าพรลานหลวงโรกราชากำลังแสดงมาระศพให้คนทั้งหลายดูอยู่พวกน้องของพญานาคนั่นน่ะจึงได้พาพญานาค ก, กลับลงสู่เมืองมนุษย์ก่อนกลับก็ได้คายฤทธิ์ออกไปหลุมแห่งหนึ่งไว้บัดนี้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างแรง พระราชาได้เห็นอย่างนั้นก็อ้อนวอนขอร้องให้พญานาคช่วยดับไฟอันนั้นพญานาคจึงดับไฟนั้นให้หมอดไปละแล้วจึงกลับสู่เมืองพญานาคแล้วพระองค์ก็ไปนอนป่วยอยู่หลายวันชาตินั้นได้ชื่อว่าบำเพ็ญศีละปรัมมัฏถบารมีอย่างแรงกล้าทีเดียวนั่นแหละวันี้ ชาติที่ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีนั้นน่ะได้ทรงสวยพระชาติเป็นวิทนลบัณฑิตในข้างนั้นทรงเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปให้สัตว์ทางหลายได้เป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่นั้นในชาตินั้นปรากฏว่ามีบริษัทธบริวารมากวิทนระบัณฑิตนั่นแม้จะมีข้า ฝึกมาลบกกวลุณพระองค์ก็ต่อสู้เมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ไม่ได้ลงโทษพระราชาก็ทรงให้อภัยไปนั่นแหละชาตินั้นชือว่าบำเพ็ญเมตตาบารมีมารมีชาติที่เป็นทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในชาติที่จะได้เกิดมาเป็นพระเสันดอนนะ่ะได้นามว่าพระเตมีไบาชาตินั่นแหละ เกิดขึ้นมาแล้วลึก่าหนทนหลังได้คือเคยได้มาเป็นพระราชาอยู่ในเมืองนี้แหละเอาเมืองพระานาศีนั่นเองแต่ชาติก่อนนั้นเป็นพระราชาแล้วในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่จับโจรมาเฝ้าพระราชาให้ทรงพิจารณาโทษก็พระราชาก็สั่งให้ เทศค่านั้นเอาไปฆ่าเสียเมื่อสวรรค์คตแล้วพระองค์ก็ได้ไปตกนรกหน่วยชื่อว่าอุสุธอุสุธนรกคือนรกหน่วยนี้เป็นหน่วยนกไม่ใหญ่เท่าไหร่เมื่อพระองค์พ้นจากนรกนั่นมาก็ได้มาเกิดในชเวตสัตว์ของเก่านั่นแหละเมื่อเกิดมาแล้วพระราชาก็รักมากทีนี้ก็เอาไปอุ้ม ไวบนหน้าตักในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่จับโจรมาเข้าพระราชาไปแสดงโทษของโจรว่าต้นข้ามนุษย์ตายอะไรต่ออะไรอย่างนี้พระราชาก็ได้ทรงรับสั่งให้นำโจร น, นั้นไปประหารชีวิตเสียนี่พระราชาโอรสได้เห็นอย่างนั้นก็นึกในพระทัยว่า แม้เรานี่ถ้าหากว่าเราจะเินไว้ใหญ่โตขึ้นมานี่ก็จะได้เป็นพระราชาแทนพระราชาบิดาและเราจำเป็นก็จะต้องได้ปฏิบัติไปตามกฎหมายของพระราชาเพราะสมัยนั้นพระราชาอยู่เหนือกฎหมายร่างกฎหมายขึ้นแล้วก็ได้ปฏิบัติไปตามนั้นเลยทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความเป็นพระราชาในเมืองนี้ทรงพระดำริอยู่อย่างนี้แล้ว ก็มีเทวดาที่เคยเป็นมารดาของพระองค์มาแต่ก่อนอยู่ในสวยตัสัตตนั้นเมื่อรู้ความดํำริของพระโพธิสัตว์อย่างนั้นก็จึงได้มากระทิบบอกว่าเมื่อพระโอรสต้องการอยากจะไม่อยากเป็นพระราชาในเมืองนี้นะ่ะขอให้ทำตัวเป็นใบเสียพระเจ้าโอรสได้คติจาก เทวดานั่นแล้วก็อธิษฐานใจเลยไอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่พูดถึงเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาเราจะไม่เดินจะทำตนเป็นคนเปียกคนง่อยไปแล้วเราถึงจะได้พ้นจากความเป็นพราชาเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วพอเจริญวัยใหญ่โตขึ้นขึ้นมาพอจะพูดได้ก็ไม่พูดเลย เหตุนั้นคนทั้งหลายจึงได้ตั้งชื่อว่าพระเตมีใบสมควรจะเดินก็ไม่เดินบานี่กพระาชาวิดาให้เจ้าหน้าที่ไปทดลองหลายอย่างเอาไฟมาลนก่อนแล้วเอามดแดงมาปล่อยใส่ให้กัดตามผิวหนังมนันแล้วไม่พูดไม่ร้องให้อะไรเลยอดเอาทนเอาอยู่อย่างนั้นนะบางทีก็ทำท่า ปล่อยช้างวิ่งมาจะให้มาเหยียบพระองค์ก็ไม่ร้องให้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวแต่เมื่อช้างวิ่งมาจะใกล้เข้าจริงๆแล้วก็มีนายควนช้างมาห้ามช้างไว้ช้างก็ไม่เหยียบทรมานหลายอย่างจนอายุตั้งแต่เกิดมาจนอายุได้สิบหกปีเป็นหนุ่มขึ้นมาสุดท้ายก็แต่งผู้หญิงสาวสว ย, สวย สามคนเข้าไปเกีย้ยกล่อมยั่วยวนแต่เข้าไปคนละทีกันคนสุดท้ายเมื่อเข้าไปแล้วไปจับเนื้อต้องตัวพระองค์ร้อนเหมือนไฟคราวนี้ก็เลยออกมาทูลพระราชาว่าพระราชโอรสของพระองค์นี่เป็นกะละกีนีพอไปจับโดนร่างกายในี่ร้อนเหมือนกับไฟว่างั้น พระองค์ไม่ควรที่จะให้เสวยราชสมบัติอย่างนี้พระราชาก็เชิญพวกเสนาอมารมาปรึกษาหะลือว่ควรจะทำอย่างไรส่วนมากก็เห็นว่าให้ฆ่าทิ้งเสียพระวิดาก็าโอ้ยเราจะไปฆ่าบุตรของเราด้วยดาบด้วยหอกอันนั้นไม่สมควรแล้วเราเราไม่ให้ทำหรอกว่างั้น ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปขุดหลุมฝังทั้งเป็นซะมีผู้แนะนำาอ่ยอย่างนี้พอจะทำได้พระราชาจึงได้ตรัสสั่งให้สลัถีเอารถมา้ามาเทียบแล้วก็ให้อุ้มพระโพธิสัตว์ขึ้นถูรถมา้าก็อย่างว่าสมัยนั้นก็คงไม่เข้มงวดเท่าไรพระราชาสงสารลูกท่า ไม่ได้ให้ตำรวจทหารอะไรติดตามไปเลยมีทั้งแต่นสรถีคนเดียวขับรถมา้าพาออกนอกเมืองไปไปสู่ป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ปลดม้าออกก็เอาจอกเอาเสียมไปขุดหลุมลงไปพระเทมียะพระเทมียะนึ ก, กว่าไอ้ตนนี้ก็ พะมาณร่างกายอันนี้มาถึงสิบหกปีแล้วไม่ได้เดินเหินไปทางไหนเลยกำลังของเรานั้นจะมีสู้กับส ถ, ถีินี่ได้หรือไม่หนอจึงพยายามลุกจากรถนั้นลงจากรถแล้วเดินไปเดินมาดูเห็นว่าร่างกายก็ยังเป็นปกติอยู่ถ้าเป็นคนธรรมดาสามานี่เข้าใจว่า คงจะเดินไม่ได้แล้วนั่งอยู่ที่เดียวตั้งสิบหกปีเส้นประสาทคงจะหดเข้าไปหมดแล้วคงจะยืดไม่ออกซะแล้วแต่นี้เป็นหน่อโพธิสัตย์มีบุญญาบา ร, รมีแก่กล้าบุญกุศลรักษาไว้ถึงมีร่างกายเป็นปกติไม่เสียหายอะไรส่วนไหนเลย เดินไปเดินมาแล้วก็มาจับคอนรถนั้นแกว่งไปแกวงมารอบทัวได้เลยก็รู้ได้ว่ากําลังวางชาก็ยังดีอยู่พอที่จะต่อสู้กับสรถีนั้นได้ขั้นแล้วจึงค่อยทรงพระดําเนินไปสู่ปากหลุมนั้นแล้วก็เรียกถามนะสรถีว่าทําอะไรอยู่นี่ว่างั้นสรถีก็ตอบ ตอบทั้งที่ขุดหลุมอยู่แล้วเนะี่ยไม่เงยหน้ามองดูเออนี่ขุดหลุมเพื่อฝังเตมีใบว่างั้นพระองค์ก็บอกว่าเรานี่แหละเป็นเตมีใบเนะ่ะอย่าไปขุดให้ลําบากเลยว่างั้นจงขึ้นมาเถิดอพอเงยหน้าขึ้นมองดูอ้าวก็เป็นพระเตมีใบ้จริงๆบัดนี้จะไดข้ขึ้นจากหลุมมากราบ กบาปขององค์แล้วขอก็มาโทษแล้วก็พระองค์ก็ได้ทรงบอกนายสถีว่าท่านจงนํารถม้านี้กลับไปบ้านเรานั่นจะบวชซะแล้วให้นําเรื่องราวของเราไปทูลให้พระราชาได้ทรงทราบและจะให้พระราชาได้เป็นห่วงบอกว่าเรานั่นได้ออกบวชเป็นพระฤาษีแล้วว่างั้น ส่วนนายสารสีนั่นฮ้อนวนจะขอออกบวชตามแต่พระองค์ก็ไม่ให้บวชให้พารถมานี่กลับไปทูลพระราชาพระราชบิดาพระราชมารดาจะเป็นห่วงมากว่างั้นจะเสียพระไทยมากไปทูลบอกว่าเรายังไม่ตายว่างั้นเนียเราออกบวชจะเป็นฤาษีแล้วว่างั้นนายสารสีจําใจต้อง นำรถม้านั้นกลับเข้าวังเข้าเมืองแล้วก็ไปทุนเรื่องนั้นให้พระราชาได้ทรงทราบเมื่อพระราชาได้ทรงทราบเช่นนั้นแล้วจึงได้ประกาศให้ชาวเมืองทั้งหลายได้รับรู้ว่าพระราชาโอรสของพระองค์ได้เสด็จออกบวชแล้วบัดนี้เราก็พร้อมกันใจกันไปเชื่อเชิญให้ พระโคธิสัตมาสเสวยราชครองเมืองแทนพระบิดาชาวเมืองทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ชื่นชมยินดีเกรียมขบวนแห่กันออกไปสู่ป่านัน้นพอไปถึงก็แล้วไปเชื่อเชิญให้พระองค์ศึกออกมาครองราชสมบัติจะได้มอบราชสมบัติให้พระองค์ก็ไม่ทรง รับเป็นพระราชาได้เข้าชานแล้วก็เหาะลอยวนอากาศแสดงทำให้พระราชบิดาพระราชมารดาพระญาติพระวงศ์และประชาา ช, าชนนองหลายฟังคนนับเป็นหมื่นมื่นแสนแสนในเมืองมันก็คงหลายแน่เลยพระกันหนีออกไปหมดเลยยังเหลือแต่พวกนักเลงสุราธานวัฒ เมื่อพระ อ, องค์แสดงธรรมนั้นจบลงก็ลงจากอากาศมาประทับตั้งอยู่บนศาลาพระราชบิดาพระราชบรรดาเป็นต้นก็ขอบวชพระ อ, องค์ก็บวชให้บารนิพยายนก็มาบรรดานอนิลมิตอาสมบดศาลาให้เป็นที่พักอาศัยคนละหลังละหลังกันแต่สมัยก่อนนั้นเยงว่า คนก็คงจะมีปริมาณน้อยป่าดงพงไผรก็ยังอยู่มากมายนะเนี่ยนะแล้วพญายินก็มาในนิมิตต้นหมากเมาไว้ในบริเวณนั้นคนทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บเอาไว้หมักเมานั้นมาแล้วก็มาแล้วก็พญายินก็ในนิมิตหม้อต้ม อ, อะไรไว้ให้เรียบร้อย คนเหล่านั้นก็เอาไว้มังนว่าวนมาต้มกินบ้างถวายพระราชาบ้างอย่างนี้ก็มีกําลังวางชาดีก็ได้พากันเจริญภาวนาบางคนก็สําเร็จฌานสมาบัติบางคนก็ไม่สําเร็จอยู่ไปจนหมดอายุสังขารแล้วสังข์คนก็ดับขันผู้ใด้บรรลุฌานสมาบัติก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรห ม, มโลก ผู้ใดไม่สําเร็จฌานสมาบัติตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึง่งตามบุญบา ร, รมีของตนในชาตินั้นนส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อท่านสอนโคตแล้วในชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกแต่เป็นรูปกระพริมไม่ได้เป็นอรู ป, ประพริมใน ตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธิสัตว์ไม่ไปบังเกิดเป็นอรูปภมถ้าเกิดเป็นภพก็เป็นภพที่มีรูปร่างไปอย่างชาตุนั้นชื่อว่าบำเพ็ญอุเบกขาปรมัตถะบารมีเนี่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงกระทำคุณงามความดีให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายในชาตินั้น เราว่าทรงบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีมีฐานะบา ร, รมีเป็นต้นมีอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายคนผู้มีปัญญาได้เห็นพระองค์ทำความดีแล้วก็พอใจประพฤติปฏิบัติตามสุดท้ายก็ได้มาเป็นบริษัทปบริวารของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ออกบวชก็ได้มาเป็นบริษัทธ์ของพระองค์ ที่เรียกว่าบริษัทธีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาตนาบา ร, รมีของตนของตนนี่แหละดังนั้นสมควรที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะพากันเจริญพุทธคุณนี้ให้มากๆ เมื่อเรา พ, พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาโดยลำดับนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอันมุคคลที่จะพ้นทุกข์พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความเกิดเหล่านี้ได้ก็โดยโดยอาศัยการสร้างบุญบรารมีให้เต็มบริบูรณ์ตามภูมิของตอน ในถึงจะพ้นทุกข์พ้นกิเลสตัณหาต่างๆไปได้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่คิดสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบรรรางบ ร, รมีสิบประการที่พัฒนาให้ฟังมานี่นะผู้นั้นมัวเมาประมาทเพิดเพลินอยู่แต่ในกามคุณเ ม, ณมถุนสังโยต์อย่างนี้แล้วผู้เช่นนั้นนะ่ะย่อมพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เพราะคนเรา เช่นอย่างว่าไม่สร้างฐานบ ร, รมีอย่างนี้เกิดมาชาติใดก็จะเป็นคนจนอย่อยางนั้นแหละไม่สร้างศีลบรรมีอย่างนี้ก็ยากที่จะได้เกิดมาเป็นคนถึงเกิดมาเป็นคนบาปกรรมก็ตามสนองให้เป็นคนมีร่างกายทุพลภาพไม่สมบูรณ์ เาว่าไปเบียดเบียนแต่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นกรรมนั้นมันตามมาสนองเอาอย่างนี้แหละผู้ใดได้บำเพ็ญศีลบา ร, รมีอย่างว่า น, นี้แล้วผู้นั้นเกิดไปชาติใดพบใดก็จะมีร่างกายสมบูรณ์มีอายุยืนยาวนานได้สั่งสมบุญกุศลบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับนี่ผู้ใดได้สร้างในคัมภีบา ร, รมีเช่นนี้ผู้นั้นก็จะมีจิตเหนื่อยหน่าย ในกา ร, รมคุณเมถุนสังยนตในเมื่ออินทร์รรมีแก่กล้าขึ้นแล้วพระโพธิสัตว์บางชาติครองเรือนไปมาหนอหนึ่งก็เบื่อหน่ายแล้วเห็นโทษแห่งกรรมมคุณก็หนีออกไปบวชแต่ว่าเมื่อคาความปรารถนาถึงแม้จะเห็นโทษแห่งกรรมคุณอย่างไรก็สาเร็จมาผลไม่ได้ ก็เพียงแต่ว่าได้บำเพ็ญเนกธัรมบา ร, รมีทำให้บา ร, รมีคือการออกจากกามนี่น่ะให้มันแก่กล้าขึ้นไปมิฉะนั้นแล้วก็จะคล้องอยู่ในกามทั้งหลายจับสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลย mm. อนี่ยนี้แหละความหมายของการสร้างบา ร, รมีนะ mm. การบำเพ็ญปัญญามา ร, รมีก็เพื่อที่จะให้ ฝึกฝนอบรมตนให้เกิดความรู้ความฉลาดด้วยการเรียนด้วยการท่องการจำคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการน้อมเอาคำสอนนั้นพปรียญิพิจนาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ด้วยการภาวนาธรรมสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาแล้ววันนี้นะนั่นเอง ก็เป็นปัญญาบา ร, รมีเมื่อบุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้าถึงปัญญามีก็ะไม่สามารถจะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้แต่ว่ามนละบาปกรรมความชั่วต่างๆได้เท่านั้นนะผู้มีปัญญานี่นะเรียกว่าปัญญาบา ร, รมีทรงสร้างขันติบา ร, รมีเพราะว่าคนเรานี่ขาดความอดทนนั่นแหละจึงรู้อํานาจแกกิเลส รู้อำนาจแก่ความโลภไปเบียดเบียนช่อโกงหลอกลวงลักเอาสมบัติปืนมาเป็นของต น, นเพราะว่าอดทนต่อความอยากไม่ได้นั่นเนี่ยแล้วก็มีใครเข้ามาบาัด่าวา่าตีเตียนพันทะเละอดทนต่อความโกรธไม่ได้ก็ส่งทะเลาะวิวาสกับคนอื่นไปเบียดเบียนกันไปเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปนี่ ผู้มีความอดทนแล้วยอมอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสบาประธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้อดทนต่อการกระทําคุณงามความดีต่างๆทําให้บุญบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นได้เพราะความอดทนมันี้ก็วิริยะบา ร, รมีเป็นผู้บําเพ็ญบา ร, รมีข้อนี้ก็เพราะเหตุว่าในการกระทําความดีต่างๆนั้นต้องอาศัยความภาคเพียร ถ้าไม่มีความภาคเพียนพยายามไปแล้วนั่นมันจะไม่สําเร็จได้ไม่เป็นบุญกุศลได้ทาดําอะไรเพราะเมื่อทําความดีอะไรลงไปมันมีอุปสรรคมาขัดขวางดังนั้นเราจึงต้องพยายามภาคเพียนแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ลุกล่วงไปให้จนทําความดีไปได้นี่ความชั่วอันใดมันจะมาคอยขัดขวางให้เรา ไม่ทําความดีได้แล้วก็เพียรละความชั่วเหล่านั้นออกไปจากจิตใจอืวันนี้อธิษฐานะบา ร, รมีทรงบําเพ็ญอธิษฐานะบา ร, รมีกอบความมุ่งหมายธรรมราจิตใจคนเราเนี่ยมกักจะอ่อนแอท้อแท้ทําอะไรไม่เอาจริงเอาจังพอทํางานอันนี้นานได้ผลก็ทิ้งงานนี้ไปทํางานนั้นเสีย ถ้าเป็นนักปวดอย่างนี้ก็พยายามทำความดีไปหน่อยหนึ่งก็ใจอ่อนเอโทษแท้เข้าไปก็ถอยหลังเสียงอย่างนี้นะเรียกว่าขาดอธิษฐานบา ร, รมีนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั่นให้ทำอะไรให้อธิษฐานในใจลงไปถ้าเป็นทางที่ดีที่ชอบแล้ว อธิษฐานใจให้มันลงไปถ้าไม่สําเร็จเราจะไม่ถอยเอาประกอบกับสัจจะบุญมีเข้าไปเคารพต่อความสัตย์ความจริงเมื่อใดตั้งใจว่าจะทําอะไรลงไปแล้วถ้าไม่เหลือวิสั ย, ยจริงๆก็ไม่วางไม่ไม่ทอดทุระหรือว่านัดกับใครไว้ต้องไปพบกันที่นั่นที่นี้เวลาเท่านั้นอย่างนี้ก็ ต้องพยายามไปพบกับเพื่อนผงที่นัดเนะกันไว้ไม่ให้เสียสัจจะทำอะไรไม่ให้เสียสัจจะแล้วก็เป็นที่เคารพกกับถือของผู้อื่นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้อื่นไปอย่างนั้นสุดท้ายก็ไม่เห ท, ที่ทรงสอนให้เจริญเมตตาบารมีตามธรรมดาคนเรานั่นมันมีความโกรธความโทสะพยาบาทอยู่ในคิดใจ ไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้มาล่วงเกินตนผู้มาทำให้ตนเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้กระตอบโต้กันไปทำลายล้างผานกันลงอย่างนี้เป็นกรรมเป็นเวีนไปไม่รู้จักจบนี่ก็เหมือนกันแหละดังนั้นเมื่อเจริญเมตตากรุณานึกถึงเขานึกถึงเรามาแล้วให้อภัยเข้าไปได้ไม่ตอบโต้กันทนี่เวีนทั้งหลายก็ไม่มี นี่การเจริญเมตตาบารมีนะเพื่อให้ห่างไกลจากกรรมจากเวรทั้งหลายถ้าได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะสงสารนี้ก็อย่าให้มีกรรมมีเวรติดตัวไปก็เพื่อบรรเทาความโกรธโทสะพยายบาททั้งหลายให้น้อยเบาบางไปงนี่นะค ว, มมมมนนความหมายของการเจริญอุเมตขาบารมีสุดท้ายนั้นความหมายของการเจริญอุเบกขาบารมี ก็ตามธรรมดาจิตใจคนเรานี่นะมา ก, กะวันไหวไปตามอารมณ์อิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิถาารม์อารมณ์ที่น่ายินร้ายอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขก็ไม่มีทางจิตใจนั่นนะเมื่อได้ประสบความภัยพิบัติทางหลายก็ดิเสียอกเสียใจอย่างนี้นะเมื่อประสบกับสิ่งที่นา่าพอใจทางหลายก็โสมนัตจินดีอย่างแรง มันก็จิตมันเอียงไปเอียงมาไม่เป็นมัติมาสายกลางดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เจริญอุเบกขาแม้ตัวเองหรือคนอื่นจะถึงความมิบัตยังไรก็จะไปเสียใจเศร้าโศก็มันแม้จะได้ลาบได้ยศอะไรก็อย่าไปโสมนัสยินดีเกินส่วนเพราะของเหล่านั้นล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไป พิจานาเห็นอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่าเป็นผู้โค่นจากทุกในอบัยภูมิทั้งสี่เป็นนิสัยปัจจัยให้บรรลุมรคนธรรมวิเศษได้ในที่สุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละฟางลงไปแล้วก็เพ่งอสุภนิมิตให้ปรากฏในจิตใจเสมอเพ่งลงไปถึงกับว่า เมื่อจิตวิ ญ, ญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเขาก็หามขึ้นสู่กองไฟจุดไฟเผาเข้าไปในที่สุดไฟก็เผาไม้เสร็จลงแล้วก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนี่แหละตรงไหนที่ว่ารูปนี่มันสวยมันงามก็ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาถามตนดูออย่างนี้แหละนี่สำหรับผู้ที่เห็นภัยใน ความกำหนัดยินดีนะอะก็ควรต้องการอยากจักคัดจัดความกำหนัดยินดีนี้ให้เบาวางถ้าไม่ไม่หมดสิ้นไปก็ให้มันเบาวางลงไปอย่าถึงกทำให้มันได้ไปทําบาปเพราะความกำหนัดยินดีนี่เพราะความกำหนัดยินดีนี่คนใดตกเป็นทาสของมันแล้วมันเป็นเหตุให้ไปทําบาปไปแย่งของรักของชอบใจของกันและกันอเกิด วางแผนฆ่ากันทำลายล้างผ่านชีวิตของกันและกันมีอยู่ทมไปโทษแห่งราคะตัณหาเนี่ยอเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ล่วงวิญญอันร้ายแรงจนขาดจากความเป็นพิกษุก็มีอยู่ เ, อเยอะแยะอืมหนังสือพิมพ์เขากดลงกันโคลงกันอยู่ทั่วประเทศอย่างนีนะ้โทษแห่งราคะตัณหามันเป็นเหตุให้สัตว์พัดแหละซ่องสมกันเป็นโจร มันมีความกำนัดยินดีในเงินทองเข้าของในเครื่องประดับของคนอื่นที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นเขาแล้วก็นำไหล่ไหลเลยอยากได้อย่างรุนแรงก็วางแผนยื้อแย่งเอาถ้าเจ้าของไม่ยอมให้ก็ฆ่าเสียเลยแล้วก็หลอกคาบเอาไปนี่โทษของร า, าตะทันหาท้าพันนาไปแล้วโอ้ยมัน มากมายกายกองอนี่แหละทำให้คนเราไปสู่นรกอบายภูมิกระเพาะโทษของราคะตัณหานี่แหละเพราะฉะนั้นแม้ว่าผู้เป็นนักบวชก็ดีผู้ครองเรือนก็ดีก็ควรจะมองเห็นโทษแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วเจริญอตุภะกรรมฐานเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงถ้าหากว่าละมันไม่ได้เด็ดขาดกอ ให้มันบรรเทาวบาบางลงอย่าให้มันถึงกับได้ไปทำบาปถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็อย่าให้ล่วงวิจในอันร้ายแรงพอราคะตัณหานั้นถ้าเป็นคราวาสก็อย่าให้ประพฤติอย่าให้ได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมคือผิดสินข้อที่สามอันนี้แหละการที่บุคคลมาเจริญสมาธิภาวนา การที่เราจะมาทวนกระแสะของกิเลสตัณหาที่จิตใจตกเป็นธาตของมันมานมนานหลายชาติหลายภพนี่เราต้องอาศัยความอดความเพียรอาศัยความเคารพต่อพระธรรมคาสอนหรือเคารพต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงค์ต้องอาศัยการพิจารณาเห็นว่ากิเลสเหล่านี้น่ะมันทำให้เป็นทุกข์อยู่ในสงสาร ไปตกนรกหมกเมื่อยอยู่กับพวกกิเลสเหล่านี้แหละต้องเห็นโทษอย่างนี้แล้วมันถึงจะมีความอดความเพียรพยายามกำจัดมันจเจริญพระกรรมฐานดังกล่าวมานั้นให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนเพ่งอตุภะในจนว่าเกิดอุคหนิมิตขึ้นในใจอย่างนี้นะคือเมื่อเราไปที่ไหน แล้วกำหนดเพ่งดูร่างกายเวลาใดก็เห็นเป็นของเน่าของเปื่อยผุพังอยู่นั้นไม่มีอะไรสวยงามเมื่อมันเห็นร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็เห็นร่างกายผู้อื่นไม่สวยไม่งามเหมือนกันเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันเลยรูปกายอันนี้ตกแต่งขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเลยนี่โทสะความโกรธความมยาบาดทั้งหลายนี่ พระ อ, องค์ก็สอนในเจริญเมตตาให้มั่งมากเข้าไปแล้วก็จะได้บรรเทาลงไปในขั้นในขั้นแรกเมื่อเมตตาทำบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธก็บรเทาลงเพราะว่าเมตตาคือความรักให้ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าอย่างนี้นะเมื่อจิตใจเราน้อมไปเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แความคิดอิจฉาเบียดเบียนมันก็บำวางลง ทีนี้เมื่อเราเพ่งดูจิตใจเห็นว่าความโกรธขวามบัจบาดที่เคยมีมาแต่ก่อนมันเบาบางลงแล้วเราเพ่งจิตนี้เข้าไปมันก็สงบลงไปเดียบร้ดับ